ขอถวายความเคารพ แ, แสดงความนับถือแด่ท่านพระเถรานุเถระในมหาสมาครคบนี้ซึ่งมีท่านเจ้าุณพระราชศาสนาพิบาลรองจุคณะจังหวัดน่านท่านเจ้าขุณพระราชปริยัติกวีอธิการบรดีมหาวิทยาลัย มหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยท่านเจะคุ ณ, คณพระชายานันทมุนีผู้ในการวิทยาลัยสงขลนนาน่านเป็นต้นขอจเจริญพรท่านผู้มีเกียรติท่านสาธุชนทุกท่านมีท่านรองศาสตราจารย์ดร ok สุรพลสุยพรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยคนดนภาคเนสใสนายอำเภออุเพียงว่าที่ร้อยตรีสมเดชอภิชยคุณรองนายกอบจนานเป็นต้นใน โอกาสนี้ที่เราได้มาประชุมร่วมกันณนะห้องประชุมของวิทยาลัยสงขลาน่านานก็เนื่องในโอกาสที่สำคัญโดยเฉพาะในการประชุมสัมนาทางวิชาการเป็นการ ขึ้นบ้านใหม่ในทางปฏิบัติของวิทยาลัยสงนานโดยการมาใช้ห้องประชุมซึ่งเป็นห้องประชุมที่พร้อมต่อการทำงานของวิทยาลัยสงและคณะสงเป็นที่น่าอนุโมทนา รู้สึกยินดีที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพราะได้มีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาวิทยาลัยสงน้ำผอนน่านให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาปากหลักอยู่นะจังหวัดนี้ให้การศึกษาพัฒนา บุคลากรและเยาวชนชาวนครน่านพวกเราทั้งหลายก็มาให้กำลังใจมาสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่องและก้าวหน้า ม, มาโดยลำดับจนมาถึงจุดนี้ซึ่ง เมื่อมีความพร้อมในด้านกายภาพอย่างที่เราเห็นก็ต้องใช้อาคารสถานที่ให้คุ้มค่าให้สมราคาที่เราลงทุนการทากิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อไปก็จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า เราจะเดินหน้าไปในทิศทางใดสมมติว่าถ้าเราสร้างอาคารสถานที่ใหญ่โตแต่ใช้ไม่คุ้มมีงานก็เปิดห้องประชุมมีงานก็ใช้เฉพาะกิจอย่างนั้น ก็ไม่เรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางเป็นการพัฒนาแบบเส้นกระตุกมีงานก็ทําไม่มีงานก็ไม่ทําถ้าคณะสงฆ์นครน่านทั้งวิาลสงฆ์นครน่านทําอย่างนั้นจะไม่มีวันนี้ บทเรียนแห่งความสำเร็จที่ทมาถึงวันนี้เพราะเราทำงานยังมีเป้าหมายมีทิศทางเมื่อมาถึงจุดนี้จะเดินหน้าต่อไปก็จะต้องมีเป้าหมายมีทิศทางเพื่ออะไรจะทำอะไรต่อไปซึ่ ง, งการ ดำเนินการการจัดการอย่างมีเป้าหมายมีทิศทางภาษาฝรั่งเขาเรียก MBO Management by Objectives บริหารจัดการโดยมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์มิฉะนั้นเราจะเห็นสภาพเหมือนกับวัดหลายวัด ในยุคที่บารมีของเจ้าอาวาสสูงส่งสร้างวัดใหญ่โตสร้างอาคารใหญ่โตแต่ประโยชน์ใช้สอยไม่ชัดเจนผ่านยุคของเจ้าอาวาสรูปนั้นแล้ววัดเกือบจะร้างน่าเสียดายเราไม่โทษ เจ้าวาดเพราะท่านบรณภาพไปแต่องค์กรคือวัดต้องชัดเจนตั้งแต่สมัยที่ท่านยังอยู่มีการรองรับมีภารกิจมีพันธกิจมีกิจกรรมต่อเนื่องมีเป้าหมายและนี่ก็คือสิ่งที่วิาลสงนครน่านได้ทำมีแผนระยะสั้นระยะยาวเป็นระบบ บริหารโดยกำหนดเป้าหมายเป้าหมายคือการบรรลุภาพที่พึงประสงค์เราอยากให้น่านเป็นอย่างไรเราอยากให้วิลายสงนี้เป็นอย่างไรมันมีภาพในใจแห่งความสำเร็จในอนาคตภาษาวิชาการเรียกว่าวิสัยทัศ วิสัยทัศน์อยู่ในใจของผู้นำอยู่ในใจของผู้บริหารเราต้องการบรรลุให้ถึงความสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้มันยังขาดอยากจะเห็นน่านเป็นอย่างไรอยากจะเห็นคณะสงฆ์ที่นี่เป็นอย่างไรเราสร้างภาพของผู้นำเรียกว่าวิสัยทัศน์ vision แต่คนที่ช่วยทำคือทีมงานคนทั้งหมดผู้นำต้องขายไอเดียต้องสร้างแนวร่วมคือฝันร่วมกันเรียกว่าวิสัยทัศน์ร่วมแชร์วิชั่นถ้าคนเห็นร่วมกันมันไม่ยาก ฝันอยากจะเห็นวัดพระาธาตุแช่แห้งในอนาคตสิบปีข้างหน้าเป็นอย่างไรพระสงฆ์ก็จะช่วยกันทำเพราะเขาเห็นร่วมกันเขามีวิสัยทัศน์ร่วมวิทยาลัยสงขลาน่านจะให้การศึกษาแกเด็กเยาวชนอย่างไรโรงเรียนต้องเห็นด้วยส่งเด็กเข้ามาายกระทรวงศึกษาเอาด้วย มันจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้วยกันเพราะเรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือสามารถทำให้คนร่วมคิดร่วมทำไปสู่เป้าหมายเดียวกันมีวิสัยทัศน์ร่วมกันถ้าไม่สามารถ ทำให้คนฝันร่วมกันมันจะกลายเป็นสร้างดาวคนละดวงคนนี้กับไปทางนี้คนนี้กับไปทางนี้ไม่มีพลั ง, ลงเป้าหมายทิศทางที่เราจะไปต้องมีก่อ น, ออนแล้วเมื่อเจอปัญหาเจออุปสรรค ขวางกั้นเราจึงค่อยปรับแผนเปลี่ยนกลยุทธ์หลบเลีกปัญหาอ้อมบ้านโค้งบ้างนั่นก็คือวิธีการในการปรับเปลี่ยนแผนการตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อสามารถที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเวลาที่เราพูดว่าทิศ ท, ทางแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่ตั้งเป็นหัวข้อเนี่ยเราจะปรับตัวในในคณะสงฆ์และสังคมไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร มันซ่อนความหมายท่านจะปรับตัวได้ต่อเมื่อท่านมีเป้าหมายถ้าไม่รู้ว่าไปไหนแลวจะปรับตัวทำอะไรบางคนปรับตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยแบบน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นมันไหลไปทางนี้ก็ไหลไปตามน้ำ น้ำลมมันไหลไปทางนี้ก็ไหลไปตามน้ําปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นจอกเป็นแหนเป็นสวะที่ลอยไปตามน้ําไม่มีเป้าหมายไม่จเจริญเราไม่ใช่จอกไม่ใช่แหนไม่ใช่สวะที่ลอยไปตามน้ํา การเปลี่ยนแปลงมันจึงไม่ได้อยู่ที่แค่สถานการณ์เท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะต้องไม่ลืมเป้าหมายต้องหาทางไปสู่เป้าหมายให้ได้เป้าหมายในการปฏิบัติธรรมอยากบรรลุขั้นไหนอยากเป็นพระโสดาบันทาแค่นี้ต้องไปอย่างนี้อยากเป็นพระอรหันต์ทำอย่างนี้ อยากเป็นพระพุทธเจ้าพระสิทธาออกพนวดไปเรียนกรรมฐานกับอาลาละดาบดุทกดาบดสำเร็จสมาบัติแปดดาบด ท, ทั้งสองชวนเป็นเจ้าสำนักอยู่ต่อไม่รับเป้าหมายไม่ได้อยู่แค่เป็นเจ้าสำนักเป็นเจ้ า, จาวาเป้าหมายคือภูธิญาณ ก็เลยต้องไปออกเดิน<ป>ทางต่อไปลองบำเพ็ญทุกกระกิริยาไม่สำเร็จปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เดินทางสายกลางมัชชมาปฏิปทาและก็บรรุสัมมาสัมพูทธิยานจบตรงนี้ ถ้าไม่มีเป้าหมายอาจจะไม่มีพระพุทธเจ้าเลิกหลงการขันแล้วในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงทิศทางการปรับตัวมันคือต้องมีเป้าหมายถามว่าถามพระสงฆ์ก่อนเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคืออะไร เราทำงานปกครองศึกษาเผยแผ่สนุปประการตระหสุเคราะห์กันมาตลอดเพื่ออะไรเรียนบาลีเพื่ออะไรเรียนมหาวิทยาลัยสง์เพื่ออะไรเผยแผ่เพื่ออะไรแล้วถูกปลูกฝังตั้งแต่สอบนักธรรมแล้วโยมมาเลี้ยงพระสอบนักธรรมมาทําบุญอุปถัมภ์พระสงฆ์พื้นมาผู้ศึกษา พระธรรมวินัยเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบต่ออายุพุทธศาสนาเรียนบาลีสอบบาลีก็สืบต่ออายุพุทธศาสนาเรียนนักธรรมก็เพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนาเรียนมหาจุลาก็สืบต่ออายุพุทธศาสนานี่คณะสงฆ์เราทำวัดสวดมนต์เราก็จะสวดบทนี้เป็นประจาบอกถึงเป้าหมาย มันเป็นวิสัยทัศน์ของชาวพุทธพระท่านวางวิสัยทัศน์ไว้แล้วญาติโยมก็สนับสนุนพระกุณเจ้าทว่าสวดมนต์ก็ต้องสวดบทนี้จิรังติทถุโลกัสสิมิงสัมมาสัมพุทธธาสสนันนี่คือวิสัยทัศน์ของชาวพุทธทั่วโลก สวนมนก็ภาวานาว่าขอพระพุทธศาสนาจงสถิตสถาพร อ, อยู่ในโลกต่อไปถ้านับอายุจากพุทธพยากรณก็ห้าพันปีมิฉะนั้นประเทศไทยไม่ฉลองยี่สหพุทธศตวรรษไม่มีพุทธมนตนนั่นกึ่งพุทธกาลพุทธะ สัตววัตพุทธกึ่งพุท ธ, ธากาลยี่ห้พุท ธ, ธวัตเราก็หวังว่าพุทธศาสนาจะเฉยสถาพรอยู่ในประเทศไทยต่อไปและวิสัยทัศน์ในประเทศไทยไม่ได้อยู่แค่อยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายคู่เป็นคู่ชาติเราต้องการให้พุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือด้ว ย, เ ร, ยเราต้องการให้พุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจำชาติด้วย ไม่งั้นคงไม่มีประการความพยายามที่บรรจุจคำนี้ไว้ในในรัฐมนุษย์สรุปแล้วเราทำงานเพื่อระษาศาสนากันก็ตรงนี้แหละใครไปประเท ศ, เทศพมา่าในพิธีทางศาสนาอย่างนี้หรือแม้กระทั่งที่วัดเวลาเสร็จพิธีบ้านเราก็จะไหว้พระ กราบลาพระตนะไตรอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาเนี่ยแต่พม่าไม่ใช่พอจบพิธีพม่าเขาจะเปลงวาจาสามครั้งว่าพระสงฆ์เขจะจำได้พุทธศาสนังจีรังติดถตุพุทธศาสนังจีรังติดถตุพุทธสาสนังจีรังตตุ แล้วก็กลับบ้านทุกงานไปกระทั่งรัฐพิธีแปลว่าอะไรขอพระพุทธศาสนาจ ง, จงสถิตสถาพรมั่นคงฝังอยู่ในสายเลือเล่อยเป็นวิสัยทัศน์ร่วมคนไทยชาวพุทธทั้งหลายคิดอย่างนั้น เราส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนาทั่วโลกเพื่ออะไรก็ด้วยเป้าหมายเดียวกันในอเมริกาตอนนี้มีวัดไทยอยู่สองร้อยวัดทุกมลรัฐพระธรรมทูตจบมหาจุฬามหามกุฏไปประมาณห้าร้อยรูปอยู่ที่นั่นบางท่านไปอยู่ถึงโน่นลัสกาเพื่ออะไร มหาจุฬาในภาคเหนือเชียงใหม่วิเขตเชียงใหม่กับหลายวิยเขตในภาคเหนือทรงพระบดตอาสาขึ้นที่สูงบนดอยเพื่ออะไรก็ขอให้พระศาสนาสถิตสถาพรในดินแดนนี้และอยู่ผู้โลกไปนานแสนนานปัญหาคือและถ้าเกิดจะอยู่ไม่ได้เพราะ เรื่องอะไรมีอุปสรรคตรงไหนนี่แหละที่คณะสงฆ์ต้องปรับกลยุทธ์นี่ฝ่ายคณะสงฆ์ฝ่ายบ้านเมืองตอนนี้เป้าหมายตามรัฐบาลเป้าหมายคืออะไรหัวข้อในการสัมมนาวันนี้ขึ้นไปอยู่ 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยไปให้ถึงเป้าหมาย 4.0 ใน20ปีข้างหน้าไม่ใช่ปีนีนะ้แล้วใน20ปีข้างหน้าเนี่ยกว่าจะถึงเป้าหมายมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไปตรงตรงไม่ได้เราจะต้องปรับทิศทางอะไรนั่นก็คือสังคมไทยต้องปรับตัว แต่ไม่ใช่ปรับตัวแบบดังแล้วแยกวงนมันก็จะไปไม่ถึง 4.0 บางคนบอกฉันอยู่แค่ 3.0 พอแล้วบางคนเอา 2.0 ถ้าเป็นก๊กเป็นส่วนใหญ่แล้วมันจะไปคนละทางเลยคนไทยส่วนใหญ่ต้องคิดเป้าหมาย 4.0 เหมือนกันแล้วขับเคลื่อนประเทศไทยไปตรงนั้นสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่เราให้ไปไม่ถึงตรงนั้นนั่นมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ไปไม่ถึง 4.0 ก็ต้องปรั บ, รบกลยุทธ์ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีเรื่อง 3.0 4.0 นอนอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปหาเสียงหรอกเพราะไม่รู้จะทำอะไรขณาสงช์รเนี่ยรู้แหละยังไงต้องให้พุทธศาสนาอยู่สถาพอ บ้านเมือง 4-0 จะไปยังไงเราเอาด้วยไหมการที่ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าบริหารเชิงกลยุทธ์ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เราอยากจะไปถึงไหนแล้วปรับแผนการพลิกแพลงไปตามบริบทที่มันเปลี่ยนแปลงปีนี้ไอ้ปีที่แล้วทำอย่างนี้ได้ เพราะมีคนสนับสนุนเศรษฐกิจดีวัดแค่ทอดพระปายอย่างเดียวนี่สร้างอาคารได้แต่ปีนี้ทำไม่ได้เศรษฐกิจตก i อ f อเเป็นต้นปรับกลยุทธ์ระดมทุนในประเทศไม่ได้ข้ามไปนอกประเทศได้ไหม หาเงินไม่ได้ลงทุนลงแรงแบบจิตอาสาสร้างได้ไหมเราจะสร้างถนนเนี่ยเงินไม่มีแต่สร้างให้ได้เพราะจิตอาสามาร่วมกันนี่คือการปรับกลยุทธ์การคิดปรับกลยุทธ์นั้นจริงๆก็คือซอฟต์แอนะลิซิสกันเองเรามีเป้าหมายที่อยากมรรู้ถึง เช่นจะให้ศาสนาอยู่ชอยู่คู่ชาติบ้านเมืองเราเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือมันเป็นไปได้ไหมได้เพราะจุดเด่นคืออะไรเรามีอยู่แล้วจุดแข็ง strength ตัวเอแต่จุดด้อยในคณะสงฆ์เรามีไหมถูกโจมตีอยู่เรื่อยๆเรื่องอะไรทาให้คนเสื่อมศรัทธาแก้ตรงนั้น เอาจุดแข็งเสริมเข้าไปจุดอ่อนพยายามแก้ไขปรับปรุงเรามีพระที่มีสติปัญญามีกำลังเป็นจุดแข็งช่วยขับเคลื่อนและมันมีโอกาสไหมโอกาสที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยายเรือตามน้ำเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันเอื้ออย่างไร วิทยาลัยสงนครน่านทำไมเจริญแบบก้าวกระโดดโอกาสอยู่ตรงไหนต่างจากวิทยาลัยสงอื่นของมหาจุฬาซึ่งมี15บ6้สบแห่งอย่างไรมีวิทยาเขอีก11แห่งทำไมนครน่านก้าวกระโดดก็เพราะชื่อชื่อวิทยาลัยก็บอกอยู่แล้ว เป็นวิเอลัไสยสงที่ชื่อยาวที่สุดจำกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เข้ามาเนี่ยเห็นป้ายเนี่ยสองบรรทัดนลนะวิเอลัไสยสงนักนรานเฉลพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชโอรมันบอกอะไรซึ่งวิเอลัยสงอื่นไม่มีคือการอุปถรัรมภ์จากสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงซึ่งแนบแน่น ตรงนี้เป็นทั้งจุดแข็งเป็นทั้งโอกาสที่ต้องรักษาและทนุถนอมต่อไปอุปสรรคมีไหมคำว่าจุดเด่นจุดแข็งคือความพร้อมภายในองค์กรของวิทย์สมนครน่านจุดด้อยจุดอ่อนก็คือความไม่พร้อมภายในองค์กร ส่วนโอกาสเป็นปัจจัยภายนอกเป็นบริบทสิ่งแวดล้อมเขาเรียกคอนเท็กซ์ตั้งชื่อบริบทเลยนะก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกมันเอื้อไหมถ้าเราพายเรือพายก็ไม่มีหรือคนพายก็อ่อนแออันนี้คือจุดอ่อนของเราแถมยังพายเรือทวนน้ำน้ำมันอยู่นอกเรือนั่นคืออุปสรรค แต่ถ้าฝีพายก็ดีคือจุดแข็งเรือก็เพียวเชียวแถมยังพายตามน้ำอีกคนพายเก่งเรือดีเป็นจุดเด่น น, ดดน้นําที่ไหลช่วยเป็นปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสถ้ า, ถาวิเลยสงนลคอนะจาจจะก้าวกระโดดไปมากกว่านี้โอกาสคือพายเรือตามน้ำอยู่ที่ไหน ถ้าประเทศไทยจะก้าวกระโดะโดไปสู่ 4.0 ให้มรรูุเป้าหมายโอกาสในระดับโลกคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทสสอาสัดวิเคราะห์ถ้าเรามีทั้งจุดแข็งมีทั้งโอกาสรีบทําทันทีน้ำมันก็ไหลไปทางนี้เรือมันก็พร้อมรีบให้เรือเลยอย่ารอให้น้ำมันย้อนกลับ วัดใดก็ตามที่ความพร้อมเกิดขึ้นทุนก็มีที่ก็มีไอความพร้อมของคนข้างในก็มีช่างก็มีแล้วยังมีโยมมาถวายปัจจัยอีกเป็นโอกาสแล้วไม่สร้างด้อย่างไรท่านรออีกสองปีเขาหมดศรัทธาไปไปวัดอื่นถวายวัดอื่นละแต่ถ้าท่านพร้อมมีจุดแข็งแต่มีอุปสรรค อยากทาโน่นทานี่เป็นเจ้าวาดอยากเริ่มโครงการใหม่แต่ฝ่ายค้านเยอะร้อไปก่อยเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงอยาไปประทะถ้ามีทั้งมีจุดอ่อนแต่มีโอกาสเราไม่พร้อมคนมาถวายที่ดินท่านแต่ไม่มีสตางค์ลองดูสักตั้งหนึ่งนะระดมทุนแต่เรามีที่ดินเขาเรียกเรามีจุดอ่อนแต่นมีโอกาส มหาเจราที่วังน้อยเนี่ยสร้างจากโอกาสมีคนถวายไปสิสีรไร่แต่ไม่มีสตังค์สักบาทเดียวลองเสี่ยงสิบปีผ่านมาเราสร้างตั้งสามสี่พันล้านบาทเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่วังน้อยแต่ถ้ามีไม่มีความพร้อมคนก็ไม่อยากร่วมโอกาสฝา่ายค้านก็ามากจำวัดต่อไป อย่าหาเรื่องเพราะฉะนั้นถ้ามันมีข้อหนึ่งท่านมีจุดแข็งมีโอกาสแล้ว ย, ยังไปจำวัดอยู่นี่ชาตินี้ก็ไม่ไปไหนคณะสงฆ์เราก็เช่นเดียวกันมันมีโอกาสแต่เร า, เรามัวแต่จำวัดอยู่ตกขบวนรถไฟไปหลายรอบแล้วกว่กา จ, จะตื่นขึ้นมา โอกาสา ก, กลายเป็นอุปสรรคมันเปลี่ยนรัฐาบาลเปลี่ยนนโยบายบ า, บางจังหวัดเปลี่ยนนายกอบจอเคยตั้งงบจะให้แล้วพอเปลี่ยนปุ๊บหมดแหละได้แค่เสามา4ี้าต้นเพราะฉะนั้นน้ำขึ้นก็ให้รีบตัก่กโบราณน่น้ำขึ้ น, น, น, น, นรีบตักน้ำขึ้นคือโอกาส รีบตักเรามีความพร้อมมีถังมีอะไรกะลากอตักมาทีนี้ไปถึงถ้าเราไม่ตรหนักในโอกาสหรืออุปสรรคอยู่ไปเฉยๆโอกาสเสื่อมหรือหายนะมันก็เกิดขึ้นแค่อยู่เฉยๆเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยนะ แล้วปล่อยให้คู่แข่งเขาแซงหน้าไปเนี่ยสินค้าที่เราเคยขายได้ในจังหวัดน่านมานานเนี่ยวันหนึ่ ง, นนงมันขายไม่ได้แล้วทั้งๆ ท, ท, ที่มาตราฐานเราเท่าเดิมนี่แหละเพราะอีกฝ่ายคู่แข่งมันมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะแค่หยุ ด, ยดอยู่กับที่เราก็เสื่อมคนอื่นก็แซงหน้าไป ในยุคโลกาภิวัตมัวแต่เทศอยู่ตามสาวัต ร, ร, ตรกับคนอื่นเข า, าศาสนาอื่นเขาเข้าสื่อออนไลน์เขาลุกไปในโรงเรียนเขาขึ้นดอยแค่นี้เราก็แบบอยู่เหมือนเดิมจเจริญดีแท้ทเพราะเราไม่ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ วันหนึ่งต่อให้ยิ่งใหญ่ก็จะสูญพันธ์เหมือนไดโนเสาร์ตัวนี้ในภาพทำไมไดโนเสาร์จึงสูญพันธ์เป็นสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดไทเร็กซ์นะโหฉลาดมากสมองมันใหญ่ททเร็กซ์ไดโนเสาร์กินเนื้อ แข็งแรงที่สุดฉลาดที่สุดแต่มันก็สูญพันธุ์ดีนะที่มันสูญพันธ์นะไม่งั้นมนุษย์ไม่ได้ครองโลกหรอกเป็นเหยื่อดโนเสาร์หมดป่านนี้ไดโนเสาร์ใช้สมาร์ทโฟนไปนแล้วแต่มันสูญพันธ์เพราะอะไรหกสิบห้าล้านปีที่แล้วโอกาบาดนอกโลกชนโลก นี่เขาเรียกว่าภัยคุกขามไดโนเสาร์ครองโลกมาหลายเป็นร้อยล้านปีแล้วอยู่ๆอุกาบาทมาชนโลกตูมยิ่งกว่าระเบิดปรมนณูลงอีกนฝุ่นมันฟุ้งภูแค่ภูเขาไฟฟิลิปปินระเบิดนี่ไอฝุ่นมันขึ้นไปถึง 12กิโลเมตรเครื่องบินบินผ่านทถวนั้นไม่ได้เลยนี่มันยิ่งกว่านั้นฝุ่นมันกระจายคลุมบรรยากาศของโลกเมื่ออุกาบาทชนโลกปิดแสงอาทิตย์จนมืดเป็นปีเลยพอมันมืดอย่างนี้พืชพันธ์ทั้งหลายไม่ได้รับแสงอาทิตย์สงเคราะ์แสงพืชตายหมด ไดโนเสาร์ที่กินพืชไม่มีอาหารมันก็ตายตัวมันใหญ่มันต้องกินเยอะมันตายพอไดโนเสาร์กินพืชตายไอ้ทีเร็กที่กินเนื้อไดโนเสาร์ด้วยกันมันก็ไม่มีอาหารมันก็ตายด้วยกันแล้วทำไมมันตายตเพราะว่าไอ้ไดโนเสาร์ที่กินพืชเนี่นยท่านตัวมันใหญ่เท่ากับช้างหกสบห้าเชือก รวมกันแต่ขอโทษสมองเท่ากับสมองแมวฉะนั้นพอบริบทมันเปลี่ยนแปลงอุกาบาทชนโลกมันมันเอือนะมันปรับตัวไม่ได้เมื่อมันไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงใครคุกคามมันก็ไปเที่ยวหาใบไม้กินหมดไปแล้วโกรนหมดแล้วสาลายในน้ำมันก็ไม่รู้ ขอมัญญาณมันควรจะไปกินมันก็ไม่รู้พืชในทะเล ก, ก็มีมันไม่สนปล่อยให้ปลาให้จระเข้จระเข้รุ่นเดียวกันอยู่อยู่ได้มันใหญ่เกินสมองเล็กผลคืออะไรมันก็ตายเมือ่อที่มันตายมันสูญพันธุ์เพราะว่ามันไม่ได้ปรับตัวตามความเปลีป่ยนแปลงจระเข้อยู่ได้ ฉลามอยู่ได้รุ่นเดียวกันเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการชาญส์ดาวินจึงสรุปว่าเผ่าพันธุ์ที่อยู่รอดไม่ได้เข้มแข็งที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ปรับตัวเก่งที่สุด The survival of the fittest ความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ที่ปรับตัวได้เก่งที่สุด The most adaptable to change ต้องปรับตัวเก่งถึงจะอยู่รอดในรุ่นเดียวกันกับพระพุทธศาสน า, ศามีาศาสดาผู้แข่งคือ น, นิครนนาตบุตร เป็นเจ้าชายเหมือนกันเผยแผ่าศาสนาของนิครนนัตบุตรพร้อมกับพระสิท ธ, ธัตถะทุกวันนี้เป็นอย่งางไรศาสนาของนิครนนัตบุตรเหลืออยู่ในอินเดียมีคนนับถืออยู่ประมาณห้าล้านคนเท่านั้นขณะที่าศาสนาของสิทธัตถะโคตมะห้าร้อยล้านคนทั่วโลก ต่างกันมากรุ่นเดียวกั น, เ, กนเพราะอะไราศาสนาของนิครณนาตบุตรรู้ในนามปัจจุบันว่ า, าศาสนาเชนนิครณนาตบุตรเรียกกันปัจจุบันว่ามหาวีระปรับตัวไม่ได้ออกนอ ก, น อ, กอินเดียก็ไม่ได้ไไดเพราะนิกายใหญ่ที่สุด มันมีสองนิกายนิกายใหญ่ที่สุดเขาเรียกนิทิคัมพรแปลว่านุ่งลมห่มฟ้านิกลายนุ่งลมห่มฟ้ า, าขึ้นเครื่องบินมาเมืองไทยได้ไหมมาเผยแผ่นอกอินเดียได้ไหมชีเปลือยอะไรอีกนิกายหนึ่งเขาเารียกเสวตำพรนุ่งขาวห่มขาว อย่างไรก็ปรับตัวไม่ได้พระพุทธศาสนาออกนอกอินเดียไปจีนพร้อยไปปะทะกับลัทธิเต๋าปรับกลยุทธ์สอนกรรมฐานเคยนั่งสอนกรรมฐานโดยผสมกับเต๋าสมาธิเรียกว่า นิคของท่านอะไรโคทีท่ทมตัดหมอเกิดเศร้าลิ้นน่นั่นแหละให้กำเนิดพุสนานิกายาทั้งเศร้าลิ้นและต่อมาพัฒนาเป็นนิกายเซ้นเข้าไปในญี่ปุ่ น, น, นเซ้นภาษา ญ, ญี่ปุ่นก็คือคำว่าชาญแปลว่าเพ่ ง, นพงคนญี่ปุ่นเรียกว่าเซ็น การมาฐานยังปรับเลยท่านมาประเทศไทยไม่ปรับอยู่ไม่ได้ถามว่าปรับขนาดไหนราชการที่สี่ทรงเป็นปราดทางพุทธศาสนาพิธีอะไรต่างๆที่เคยเป็นของพราหมณ์ปรับเข้าพุทธหมดราชพิธีทั้งหลาย แม้แต่พระสยามเทวาธิราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองปรับเป็นเทวดาพุทธหมดสมัยสุขโขทัยไหว้ไหว้ผีนะจารึกสุขโขทัยไหว้ผีพระขะพุงที่เขาหลวงปรับเป็นผีพุทธหมดเทวดาเพราะฉะนั้น แม้แต่พระเจ้าก็เอาพระอินนี่นะมาเป็นท้าสักตาสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างนี้เป็นต้นจะอยู่รอดพุทธาาส น, าน้จริงปรับหมดเอาของพรามมาปรับหลายเรื่องพระพรหมสีหน้าก็กลายเป็นเมตตากรุณามู้ิตาอุเบกขาอยู่รอดเหตุที่ปรับก็เพราะว่ารู้ทันความเปลี่ยนแปลงและเอามาใช้ประโยชน์ เอาโอกเอาวิกฤตเป็นโอกาสเอาพินาศเป็นพัฒนาเอาปัญหาเป็นบทเรียนแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ว่าจะโง่เหมือนไดโนเสาร์แต่โดนหลอกเขาเอาอะไรมาให้ก็เออถวายประเคนไปเรื่อยไม่รู้ทังส่งงบมาเรื่อยถวายมาถวายไป วันดีคืนดีโดนข้อหาเงินทอนมันเหมือนกบอ่ะนะกบต้มต้มพระเสียสุขเลยพระไม่ได้ปรับตัวมันเป็นทฤษฎีนะอย่าไปลองนะเป็นอุปมาเฉยๆเขาบอกว่าถ้าเราต้มน้ำให้เดือด เอากบเป็นๆใส่ลงไปกบไม่ตายกบมันเจอน้ำร้อนมันสปริงตัวออกทันแต่ถ้าเอาหม้อน้ำไปตั้งบนไฟกบไปลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องน้ำยังไม่ร้อนกบก็เย็นสบายพอเพิ่มไฟอุณหภูมิเพิ่ม กบรู้สึกอุ่นมันก็ปรับตัวตามความอุ่นของน้ําน้ําเพิ่มความร้อนขึ้นมันก็ปรับตัวของมันเรื่อยเรื่อยมันปรับตัวของมันแต่ไปถึงจุดต้มเดือดเนะี่ยร้อนจากนี่มันมันหมดสภาพเลยสปริงตัวออกไม่ได้กบตายเริ่มจากน้ําเย็นเย็นอุ่นอุ่นเนี่ย แล้วกบเพลินเหมือนแช่สปาต้มสุกเลยเขาจึงบอกว่าคนมาพูดกับเราดีๆเลยนะหลงคันลมไปกว่าจะรู้อีกทีเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเราพูดคำพูดที่ร้อนที่ด่าที่ว่า ปลาดิ้นหนีเลยแต่ถ้าจะจับปลานะต้องเย็นเย็นเอาคําหวานหลอกล่อเสร็จทุกรายเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไอ้พวกประเภทนี้อีกที่เข้ามาเป็นภัยคุกคามแบบใหม่อย่าไปรับมั่วนะท่านบอกว่าพอพอวิยาเขตวิอะไยสงเจริญแล้วเนี่ย มันจะมีพาร์ทเนอร์เสนอเข้ามาเยอะพาร์ทเนอร์บางอย่างเป็นประเภทต้มกบนี่แหละว่าอาศัยชื่อเราไปเรี่อยๆท่านไปหาเงินหาทองกว่าก่อนจะทำมโอยเซ็นสัญญาดูให้ดีครับพระเนี่ยนำกระถินนนำผ้าป่าไปต่างประเทศเนี่ยนึงว่าด้วยศรัทธากลับมามียาเสพติดติดมาด้วย นี่คือเมื่อเรายังไม่ดังมันก็ยังไม่มีใครประเภทนี้เข้ามาเกี่ยวแต่เมื่อเด่นเมื่อดังขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพวกแฝงเข้ามามหาจุลาที่บดีใจอ่อนเนี่ยเข้าคุกไปหลายรอบและก็ตีกันหลายรอบแต่มหาจุลาสร้างด่านไหม จะทำ FOU ระดับนี้ต้องเข้าสภาวิชาการระดับนี้ต้องสภามหาวิทยาลัยเช็คละเอียดหมดจะทำ FOU ระดับนี้ต้องมันช่วยเรานะระดับต้องมีกลไกตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นกบต้มมันช่วยเราเข้ามาเรื่องวิสัยทัศน์ยุคปัจจุบัน 4.0 ประเทศไทย 4.0 มาจากโมเดลของการพัฒนาประเทศเสนอโดยรัฐบาลปัจจุบันอยู่มาสี่ปีก็สร้างโมเดลการพัฒนาโมเดลนี้ประเทศไทยคิดเองนะประเทศอื่นเขาเรียกอย่างอื่นแต่ละประเทศเขาวางโมเดลคือแบบของการพัฒนาให้สอดคล้องกับ บริบทของประเทศเขาแล้วแต่เขาจะเรียกอังกฤษเรียกอย่างนึงอเมริกาเรียกอย่างนึงญี่ปุ่นเรียกอย่างหนึองแต่รัฐบาลไทยเรียกส0สุโดยถือว่าแบบตอนพัฒนาประเทศนี่มันเริ่มมาจากเขาเรียกว่าแหล่งที่มาของรายได้ของประชาชนในแต่ละยุคท้า มาจากแหล่งนี้เราเรียกประเทศไทยแบบเศรษฐกิจแบบนี้เช่นสมัยเราเป็นเด็กคำว่าเราต้องอายุเกษียณเนี่ยนะชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรนั่นเรียกว่าประเทศไทย 1.0 าามจกผลิตภัณฑ์ต่อมาแห<อ>ล่งรายได้ของไทยมาจากอุตสาหกรรมเบลล์ผลิตผลิตให้มีเขาเรีย ก, กเกษตรอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องอย่างนี้ทํำโรงงาน ทอผ้าอย่างนี้ขนาดสายการบินอียิปต์แอร์นะลงดอนเมืองสมัยก่อนเนี่ยเห็นไฟฟ้าที่โรงงานทอผ้านึกว่าสนามบินลงไปบนหลังคาสนามบินลงหลังคาโรงงานทอผ้าที่ดอนเมืองก็เคยหลายคนคงจำได้นั่นในยุค 1.2 ารให้้ควมูแล้วเราก็มาถึงยุทธศาสตร์ขั้นสูงในเชิงปฏิบัติการโรงงานผลิตรถยนต์ซึ่งกันและกันทะลุงเหล็กโดยวัตถุดิบหลักแล้วก็มีการจัดผูกอบรมมีแหล่งรายได้จากในสายงานเขาเรียกว่าไดเวอร์ซิฟาย รายได้ของประเทศไทยปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งมาจากภาคเกษตรส่วนหนึ่งมาจากภาคบริการส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวเราเรียกยุคนี้ว่า 3.0 พวกเราอยู่ในยุค 3.0 นะแต่โดยมันมีเหตุต้องให้เกิด 4.0 เมื่อ6ปีที่แล้ว7ปี ธนาคารโลกเว r ร์ b แบง์ปี2554ประกาศยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเลื่อนสูงขึ้นไปไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง upper middle income countries โดยธนาคารโลกเนี่ยเขาไม่แบ่งแล้วนะประเทศด้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วเขาเปลี่ยนแล้ว เขาจัดเป็น4ี่กลุ่มกลุ่ ม, มที่หนึ่งเอาเอากลุ่มต่ำสุดดีกว่าประเทศมีรายได้ต่ำ low income countries เช่นเนปาลเกาหลีเหนืออับกาลฮิสถานกลุ่มที่สูงขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มประเทศมีรายได้ปานกลางระดับล่าง lower middle income countries เช่นอินเดียสีลังกาวเวียดนามแต่ก่อนประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้อาเซียน10ประเทศเนี่ยนะ เจดประเทศอยู่ในกลุ่มประเทศมีรายได้ปานกลางระดับล่างไทยก็เคยอยู่6ปีที่แล้วเจดปีที่แล้วธนาคารโลกยกระดับเราขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศมีรายได้ปานกลางระดับสูงกลุ่มเดียวกับรัสเซียจีนมาเลเซียประเทศไทยก็เลยสร้างวิสัยทัศน์ฝันนะ ว่าอีก20สบปีข้างหน้าเราจะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มมีรายได้สูงกลุ่มสูงสดุด h Income Country เช่นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในอาเซียนมีประเทศเดียวคือสิงคโปร์ในกลุ่มที่ประเทศมีรายได้ปานกลางดับสูงมีสองประเทศในอาเซียนคือไทยกับมาเลเซียมาเลเซียไมาอยู่ในกลุ่มนี้ก่อนมาอยู่ในกลุ่ม รายได้มีการกลางระดับสูงก่อนเราเขาก็สร้างวิสัยทัศน์ว่าจะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มสูงสุดเนี่ยในปีคศ2020มาฮตีมุฮัมมัดตอนนั้นน่ะเราจะได้ยินเขาจะให้ปี2020เนี่ยยกระดับไปทันสิงคโปร์ก็เลยสร้างตึกสูงที่สุดในโลกตัวนั้นน่ะเพโทนรสัสนะนั่นแหละเขาเขาขยับประเทศเขา เราก็ไม่รู้ว่ามหาธีกลับไปอีกรอบนึงจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าหรือมหาธีจะอยู่ถึงไหมอายุ90กว่าแลวใช่ั้ยเป็นนายกอะประเทศไทยเราเนี่ยจะขับเคลื่อนไปให้ถึงตรงนั้นเนี่ยก็สร้างวิสัยทัศน์เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 ถ้าเราอยู่อย่างปัจจุบันเนี่ยนะเราจะเป็น 3.0 ไปตลอด ถ้าไม่ปรับกลยุทธ์วิธีท ร, รมาหากินโดยการปรับนี่แหละทำให้ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อข้างนอกนอกวัดปรับในวัดต้องปรับมิฉะนั้นเราอยู่เฉยๆเราก็ตกรุ่นเขาก็ข้ามเราไปหมดในปี2 5 6 0ข่าวดีนะปีที่แล้ว ธนาคารโลกจัดอันดับประเทศไทยอีกไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าโปรเกรสซีฟพรอสเปริตี้เพราะกําจัดความยากจนได้ดีและสร้นชนชั้นกลางได้มากแต่ก่อนนั้นเนี่ยชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเป็นคนที่มีความยากจนรายได้น้อยการที่ประเทศไทยได้ยกกระบี่คนส่วนใหญ่ให้มีรายได้ดีขึ้นเนี่ย ทำให้เป็นชนชั้นกลางโดยเฉพาะกําหนดให้เรียนการศึกษาบ้าบังคับเนี่ย9ปีจบม .3 น่มันคือการสร้างแรงงานที่มีทักษะแต่ยังไม่พอมอ .3 มีทักษะแค่นี้ได้แค่ 3.0 แต่ต่อไปต้องเรียนเทคนิคเรียนเทคโนโลยีเรียนคอมพิวเตอร์เรียนอะไรให้มากไม่ใช่มาเรียนแต่ด้านสังคม มหาวิลัยส่วนใหญ่เนี่ยจบด้านบริหารด้านสังคมไปไม่ถึง 4.0 รัฐบาลบอกต่อไป 60% ต้องเรียนเทคนิคเรียนเทคโนโลยีมันถึงจะพาประเทศไทยไป 4.0 แต่ก็เอาเถอะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาและอื่นๆยกระดับคนไทยให้เป็นพ้นเขตขีดความยากจนและคนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางแล้ว ตรงนี้แหล ะ, หละการเมืองต้องปรับตัวจะไปซื้อเสียงเมืแต่ก่อนไม่ได้แล้วเพราะฉันไปชนชั้นกลางมีการศึกษาก็ต้องปรับตัวหมดเพื่อไปสู่ชั้นหนึ่งก็คื อ, อไรายได้สูงสิ่งที่รัฐบาลต้องการทำรคือให้การศึกษาและแรงงานเนี่ยนนเลิกในสิ่งที่ โมฟอ r เลสเปลี่ยนไปเป็นเลสฟอร์โมที่ผ่านมานี่คนไทยทำงานนะ่ะแต่ได้เงินน้อยมันเลยอยู่ 3.0 ศให้ต่างชาติมาลงทุนสร้างโรงงานเราเป็นแค่ลูกจ้างผลกำไรเจ้าของเอากลับประเทศหมดเห็นไห ม, เ, หไหมเมื่อไรมันจะรวย และเราก็ไม่มีทุนเยอะจะสร้างโรงงานแข่งกับญี่ปุ่นกับไต้หวันเป็นเจ้าของกิจาการไปไม่รอ ด, ไไรอดเริ่มธุรกิจไปไม่รอดเพราะทุนใหญ่เอาไปหม ด, หมดล้มเราด้วยแต่ตอนนี้รัฐาบาลบอก less formal ทำงานน้อยแต่ได้กำไรมาก ทำยังไงล่ะเป็นเจ้าของกิจการเองเป็นลูกจ้างนานหนักแปดชั่วโมงมีเงินแค่เนี้ยแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเองกำไรเนาะนาะเป็นของเราทำไมไม่ทำโดยให้เด็กหนุ่มสาวที่ที่เรียนจบ ม, ามหาวิทยาลัยใหม่เนี่ย เข้าสู่วงการธุรกิจโดยเรียกกันว่าสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเริ่มใหม่แบบก้าวกระโดดเป็นอินทรพันเนอร์ผู้ประกอบการและเน้น SME หมายถึง small and m e d d l e enterprise ธุรกิจขนาดย่อมขนาดกลางขนาดใหญ่ต่างประเทศทุนต่างประเทศเรามีสู้เขาไม่ได้ เราเอาขนาดยอ่อมขนาดกลางบริหารให้ดีรวมถึงโอท็ของท่านทั้งหลายด้วยตีตลาดโลกได้เลยผลตอบแทนมันจะเข้าบูบ้านเต็มๆไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างฝรัง่งไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ทำอย่างนี้ประเทศไทยถึงจะโดดไปที่รายได้สูงได้ในยี่สิบปีข้างหน้า แต่เราทำธุรกิจยังเหมือนเดิมแม้จะเป็น SME SM e ก็สู้เขาไม่ได้มันจึงจะต้องมี i n n o v a t i o นโ น, โ ว, น, นวัตกรรมผลิตสินค้าแบบใหม่มีแพ็กเกจใหม่รูปแบบใหม่นำเสนอกันใหม่โฆษณาสมัยใหม่ใช้เทคโนโลโยีขายตรงอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีพระจอมเกล้าลกาบบังบอกว่าผมสอนนักศึกษามาตั้งหลายปี มาช่วงนี้นักศึกษ า, กกษาที่ผมรับเข้ามามันมีงานทำตั้งยังไม่จบมันเอาสินค้ามาขายตรงผ่านออนไลน์เดือนหนึ่งมันได้ตั้งห้าหกมื่นไอ้ที่เราทำมาตั้งยี่สิบปีเนะี่ยเด็กเพิ่งเรื่อปีสองปีมันได้เท่าเราแล้วนี่ท่านมาเล่าให้ฟังเป็นลูกวัดอยู่ ทำงานแทบตายส่วนฉันมันก็ได้แค่นั้นแหละท่านเริ่ม SME ของวัดไปเป็นเจ้าอาวาสะท่านสร้างวัดปุ๊บปุ๊บ๊เดี๋ยวก็เป็นครูบาเนาะเดี๋ยวเข้าตากรรมการก็ไปไหนต่อไหนละท่านในฐานะเจ้าอาวาสละท่านเปิดเผยให้ฟัง ดีกว่าเป็นลูกวัดเยอะเลยท่านแต่ว่าสมภารนั้นปวดกระบาลเยอะปวดหัวแต่นี่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าการเป็นเจ้าของกิจการมันต่างจากการเป็นลูกจ้างลูกน้องเขาอย่างไรมหาจุลานะแต่ก่อนนะอยู่ในวัดมหาธาตุ เป็ น, NGO นเอนอเนะเป็นอะไรวิทยาลัยของวัดวลลอ่ะคณะสงฆ์อ่ะมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วต่อมาเขาให้งบประมาณผ่านกรมการศาสนาเพิ่มขึ้นเอาส่งมาให้เราปีละห้าล้านสิบล้านอยู่ในวัดเป็นยังไงท่า น, นมันก็ไม่โต จนกระทั่งมีพหลบอเป็นของตัวเองปี 40, ป 40. แล้วยังอยู่วัดมหาธาตุอยู่เลยที่จอดรถยังไม่มีเลยนะั้นวัดมหาธาตุเขาให้แค่นี้พอเรามีพลบอเป็นของตัวเองมันเป็นนิติบุคคลสามารถเป็นเจ้าขอ ง, ของที่ดินได้เป็นครั้งแรกนี่คือจุดเปลี่ยนโยงก็กล้าถวา ย, วายที่ดิน ให้มหาจุฬาก่อนหน้านั้นถวายที่ดินให้มวลาไปต้องไปถวายให้วัดมหาธาตุและสลักหลังเก็บไว้จนป่านนี้ยังไม่ได้พัฒนาเลยแต่เราพอเรามีพหลบเป็นของตัวเองรับที่ดินได้เราจะอยู่ในวัดมหาธาตุต่อไปหรือเราจะไปสร้างอาณาจักรของเราแปดสิบสี่ไร่ที่หวังน้อยเราเลือกเป็นเอสเมอก่อน 84ไร่สร้างเลยสร้างไปสร้างมาขยายเป็น320ไร่ทุกวันนี้มีอาคารสถานที่มากมายเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แล้ะมีนิสิตนักศึกษ <ส touches, S 2> ารเรียนปริญญาตรีทุ้มีาเอกถึง 25,000 รูปมีสาขาอยู่5ประเทศปริญญตรีปริญโญอยู่ที่เกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์สี ร, รังก า, าเรียนปริญาเปิดปริญญาเอกอยู่ฮัการีภายใน20ปีนี่มันเปลี่ยน เพราะเราใช้ less for m o r ลเราทำ innovation ไม่ได้เดินแบบเดิมมันคือก้าวกระโดดบริหารแบบ e n t r e p r e n พ u r อาธิการบริษแบบซ e o ตัดสินใจบริหารจัดการเสียงแต่ก็ททำเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบัน เราจะต้องมี innovation, อิ innovation, นโนเวชันนวัตกรรมนวัตกรรมไม่ใช่ประดิษฐกรรมนะอิน <In vention S 2> เวนชัน่นเนี่ยประดิษฐกรรมเริ่มสิ่งใหม่ยังไม่เคยมีใครมาก่อนอย่างโทมัสอันวายอดีสันประดิษฐ์รถไฟเนี่ยเขาเรียกประดิษฐกรรมจดสิทธิบัตรแต่อินโนเวชันเนี่ยมันคนละอย่างอินโนเวชันคือนวัตกรรม โดยการนำเอาสิ่งประดิษฐกรรมที่คนอื่นประดิษฐ์ไว้มาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะกับยุคสมั ย, ยใช้ได้ถูกใจคนรุ่นปัจจุบันหรือในวงการตลาดใช้ได้แล้วไม่ประเทศไทยไม่ต้องไปเสียเวลาทำวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ค้นคว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นเป็นประดิษฐกรรม innovation เ, เอาสิ่งที่ญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกา อันกฤษเขาประดิษฐ์ไปแล้วเนี่ยมาปรับให้เหมาะกับคนไทยหรือคนเอเชียหรืออาเซียนเราเรียกนัดวัตกรรมขายได้หมดและคนที่รวยที่สุดในโลกทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่นักประดิษฐกรรมอย่างบิลเกซไม่ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เลยรวยที่สุดในโลกแค่ทำอะไรเอาประดิษฐกรรมของคนอื่น มาปรับปรุงมาทำซอฟต์แวร์มาทำบริษัท Microsoft ซอฟต์แวร์ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวยที่สุดในโลกนี่คนจีนจนจนคนหนึ่งเห็นอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเอาอินเทอร์เน็ตเป็นที่ขายสินค้าออนไลน์ตั้งบริษัทออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน กลายเป็นคนรวยที่สุดชื่อแจ็คมาบริษัทอาลีบาบานักเทคโนโลยีคนหนึ่งเรียนคอมพิวเตอร์ตอนนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่เจริญยังเป็นเขาเรียกเมนเฟรมเครื่องใหญ่ๆเขาก็มาทำให้มาเป็นแล็ปท็อปอย่างเนี้ เดสก์ท็อปวางบนโต๊ะก่อนแบบวางบนโต๊ะเป็นเดสก์ท็อปก่อนสร้างอยู่ในโรงรถไม่มีทุนพอสร้างต้นแบบแล้วก็ไปเลขขายเอาต้นแบบไปเลขขายว่าเนี่ยผมจะผลิตคุณจะซื้อไหมคนก็สั่งจองสามสิบเครื่องพอเอาไปใช้ได้ดีปากต่อปากเลยผลิตกันใหญ่เลยตั้งบริษัท m a c กินทอ h ขึ้นมา Apple นั่นคือ Steve Jobs สตีฟจ็อบนำคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงตัวเองการปรับปรุงคือนวัตกรรมเราเรียกสตีฟจ็อบว่าอินโนเวเตอร์นวัตกรปรับปรุงนวัตกรชื่อสตีฟสตีฟจ็อบอยู่ในบริษัท Apple จนยิ่งใหญ่ไปเชิญเพื่อนชื่อสกา l ์ลี่ลาออกจากผู้บริหารใหญ่ของเ e ็ s ซี่โค มาเป็นผู้บริหารบริษัท a p p l e Macintosh s สตี e จ o b บต้องการนวัตกรรมก็เอาเงินไปลงทุนงานวิจัยแพงมากบริษัทไม่ยอมทํา Apple ลทูดมาขายไม่ออกเสียเงินไปมากบริษัท กรรมการบอร์ดบริษัทโหวตกันไล่สตีฟจ๊อบผู้ก่อตั้งออกไปเลยยึดบริษัทตอนที่สตีฟจ๊อบอายุได้สามสิตั้งมากรมือไล่เขาออกยึดไปสตีฟจ๊อบก็ไปทำไอ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต่อมาเอามาทำที่เราว่าพิซซ่า สร้างกา ร, ร์ตูน Toy Story ขายฮอลลีวูดเป็นโปรแกรมล้ำสมัยมากทำไป Apple, Apple Macintosh ซึ่งสร้างฮาร์ดแวร์เครื่องใหญ่ๆตกรุ่นเพราะไม่มีซอฟต์แวร์อยากจะแข่งกับ PC ทั้งหลายคอมพิวเตอร์ทั่วไปต้องหาโปรแกรมที่ล้ำสมัย ก็ไปเห็นโปรแกรมของสตีฟจ็อบซึ่งไปตั้งบริษัทพิซซ่าน่ไปซื้อซื้อโปรแกรมกลับมาสตีฟจ็อบบอกไม่อะไต้องซื้อทั้งบริษัทก็เลยซื้อตัวสตีฟจ็อบกลับมาด้วยสตีฟจ็อบก็เลยกลับบ้านมาทำมาดูแล Apple Macintosh ตอนนั้นล้าหลังสู้คอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่ได้ ที่บิลเกตขายซอฟต์แวร์ให้ทั่วโลกรวมถึงเครื่องนี้ด้วยสตีฟจอบก็เลยใช้นวัตกรรมใหม่เอาคอมพิวเตอร์บวกกับโทรศัพท์บวกกับกล้องถ่ายรูปบวกกับอะไรต่อมีอะไรอย่างที่เรารู้กลายเป็นไอโฟนทั้งโทรศัพท์กล้องคอมพิวเตอร์อินเทอร์อนเน็ตเครื่องบันทึกเทปเป็นไอโฟนไอแพด ไอโฟนไอแพดไม่ใช่ประฎิถตกรรมเป็นนวัตรกรรมที่คนเขาทํำอยู่แล้วประดิษฐ์อยู่แล้วเพียงแต่มาปรับเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทําอยู่แล้วเราเราดามาปรับมาขายได้หมดนี่คือนวัตรกรรมประเทศไทย 4.0 ต้องเป็นอย่างนี้นานการศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องไปอย่างนี้นถึงจะไม่ตกรุ่นและในคณะสงฆ์เราไม่มีประฎิถตกรรม พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าประดิษฐ์ไว้แล้วเราแค่เอาพระไตรปิฎกมาปรับเป็นนวัตตะกรับพระพม่าเอาวิธีสอนกรรมฐานไปปรับเรียกว่าพองหนอยุคหนอของมหาศรีสยดลเหล่านี้สามารถทําได้มีแต่ต้องอ้านพระไตรปิฎกให้ถูกต้องถ้านอกพระไตรปิฎกเมื่อไหร่เป็นมหายานทันทีต้องระวังไว้ด้วย บางท่านน่าเสียดายหือหวามากเกินไปสอนหื๋วหวาเกินไปคำสอนดีเกินไปคนติดใจถูกใจตลาดป๊อปฮิล่ามากแต่ไม่อิงกับพระใจปิฎกมันเป็นนวัตกรรมที่กลายเป็นประดิษฐกรรมคือไปประดิษฐ์สิ่งใหม่เข้ามาแทนพระไตรปิฎกเขาก็ไล่เห่ออกไปอยู่มหายาณ ทั้งทัานที่ดึงคนเข้าหาศาสนาได้ดีต้องระวังให้มากมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ต้องระวังคณะสงฆ์ก็ต้องระวังวัตจรกรทำได้ปริดิษ์กรรมทำไม่ได้ทาเป็นว่าค้นพบพระไตรปิฎกเล่นใหม่อย่างเงี้ยเจ๊งตั้งแต่ประกาศเลยแหละแต่มหายาเนี่ยค้นพบพระสูตรใหม่อยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวก็ไปเจอเทวดาเก็บไว้ปรัชญาปาริมิตาสูตรเนี่ยพระนาคารชุนไปพบพระไตรพาะสูตรนี้ที่พบพญานาะเอามาสอ น, สอนเขาเลยเรียกตอนแรกชื่ออรชุนตอนหลังเลยเป็นนาคาราชุนลองพระไท่ทาที่โอ้ยบั้งไฟพญานาะคได้พระไตรปิฎกมานี่มันจะรอดหรือเอาแค่พระไตรปิฎกที่มีอยู่มาปรับคำสอน ด้านการปกครอง ก, การศึกษาเผยแผ่สมมุติประการสนับ ป, ปกคลอมให้อยู่ในกรอบภาษยัยวิดกนี่เป็นนวัตกตา ม, ต, ามต่อไปนี้คือเรื่องที่จะพูดแต่หมดเวลาแล้วฉายตัวอย่างให้ดูนี่อย่างไม่ได้เข้าเรื่องบริบทที่เปลี่ยนแปลงบริบทโลก ประเทศไทยจะก้าวไป 4.0 ต้องดูบริบทของโลกคือ SDG ของสหประชาชาติในปีคศส2 3 0ปี 2,573 ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปสองปีที่แล้วเป็นต้นไปสหประชาชาติต้องการให้ทั่วโลกเนี่ยพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันทำร้อมกันเรียกว่าน้ำไหลไปทางนี้ประเทศไทยเกาะกระแสน่จะไปได้เร็วมาก จะถึง 4.0 อย่างเร็วโดยค ำ, คำที่เรียกกันว่า SDGs Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒน า, ย, ายั่งยืน17ข้อของสหรประชาชาติอย่างที่เห็นในภาพ17ข้อนั้นมีสมเรื่องเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมและเรื่องเศรษฐกิจเราเกาะกระแสโลกเนี่ยน ะ, ะกระแสะน้ำเนี่ย เราจะพัฒนาเศรษฐกิจง่ายขึ้นสังคมก็ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมกันง่ายขึ้นขอให้แทบให้ได้ก็แล้วกันพูดภาษาเขาให้รู้เรื่องยกตัวอย่างเป้าหมายในทางเศรษฐกิจขจัดความยากจนมันมีโปรแกรมของ UN อสหประชาชาติเยอะเลยขจัดความหิวโหยเป้าหมายที่สองบอกแล้วว่าเวลาที่จะไปไหนมันจะมีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์อสหประชาชาติเขาตั้งเป้าหมาย แล้วดูบริบทของโลกแล้วก็ปรับเป้าหมายที่สามเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีเป้าหมายที่เก้าเนี่ยเห็นไหมเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องนวัตกรรมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นอ n n o v a t i o n ของเราเน่เชื่อมกันระดับโลกเลยเขาทำกันอยู่แล้วในระดับสากลชาติไม่ต้องมามุงมังหาหลายอยู่ตรงนี้หรอกมีโครงการร่วมกับต่างประเทศเราอยากจะทาลถไปความเร็วสูงแบบยังไง จีนไปขอความร่วมมือกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นเจ้าตำรับรถไฟความเร็วสูงในเอเชียเยอรมันฝรั่งเศสของยุโรปจีนเวลามาเอารถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นซื้อเทคโนโลยีซื้อโน้หาวความรู้ไปด้วยเดี๋ยวนี้จีนรู้เรื่องรถไฟความเร็วสูงไงสปีดดีที่สุดแล้วยังวิจัยต่อสร้างลังรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลกญี่ปุ่นยังสู้ไม่ได้เลยแล้ว จีนก็เอานวัตรกรรมนี่แหละมาขายให้ประเทศไทยเราเชื่อมกับระดับโลกพัฒนาสังคมเป้าหมายที่สี่เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมมหาจุฬาเชื่อมกับตรงนี้สิอ้างเป้าหมายตรงนี้เชื่อมกับทั่วโลกเพราะเขากำลังทําอยู่แล้วเป้าหมายที่ห้าเรื่องความเท่าเทียมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงติดที่สตรีเป้าหมายที่สิบหกเรื่องสันติสุขยุติธรรมสถาบันเข้มแข็ง เวลามหาจุฬาร่วมกับองค์กรโลกจัดไอไอซดีวนะสภ า, าสากลวิสาขบาูชาโลกเราจัดประชุมนานาชาติเราจะเอาเรื่องข้อสิหเนี่ยเรื่องสันติภาพเรื่องยุติธรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจัดประชุมและแต่ละครั้งเวลาจัดประชุมเราเอาเป้าหมายของ UN 16ข้อ17ข้อนี่แหละคนทั่วโลกมาประชุมกัแล้วเลยเพราะเราจัดระดับโลกเป้าหมายที่สิบเจความร่วมมือทั่วโลกเราก็ไปแถบตรงนั้น สิ่งแวดล้อมเรื่องคลเม็เชนจ์ลองจัดประชุมนานาชาติเรื่องคลเม็เชนเชิญระดับโลกมาเมื่อไหร่ก็ได้ท่านแต่ถ้าจัดเรื่องภายในประเทศนอกโลกนอกประเทศเขาไม่มาเราจัดเรื่องสิ่งแวดล้อมบนบกสิ่งแวดล้อมในทะเลในน้ําได้หมดท่านและและิเทอเรเชอร์หนังสือที่เขียนเรื่องนี้มีอยู่ทั่วไป ในคณะสงฆ์เป้าหมายจะไปในทิศทางใดเรายังไม่รู้เพราะตอนนี้ยังไม่มีมอสอในการที่กำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายรอเปลี่ยนแปลงตามพรบคณะสงฆ์ฉบับใหม่2561ไม่พูดละหมดเวลาละแต่อยากให้คณะสงฆ์ทำเรื่องหนึ่งเราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากราชการที่เก้า มาราชการที่10เราจะสอนธรรมะเพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปถามว่าธรรมะนั้นเรื่องอะไรในสมัยราชการที่9เราสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในสมัยราชการที่10เราสอนเรื่องอะไรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดน้านเอาเรื่องอะไรเราจะเห็นความเปลีป่ยนแปลง วันที่12กรกฎาคม2559คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งตั้งแต่ 2,559-2564 เป็นแผนงานระดับชาติทุกกระทรวงต้องทำหมดและแผนคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยรัฐบาลให้คณะสงฆ์และมหาชนทุกฝ่ายช่วยกันทำมหาชาก็ต้องทา ถ้าอยากจะได้งบประมาณแผ่นดินต้องทำเรื่องนี้ท่านไปธรรมนาคุณธรรมเรื่องอื่นนะไม่เข้ากระแสไม่ตรงกับโอกาสไม่ได้พายเรือตามน้ำไม่ตรงกับราชาการที่สิบเออคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยที่ได้ประกาศใช้ทั่วไปในปัจจุบันนัาปีห้าเก้าจนห1หนึ่งแล้วคณะสงฆ์ยังไม่ตื่นเลย คือเรื่องอะไรแต่ทําไมรู้เพราะเป็นกรรมการคนทํามอยู่ด้วยนะเป็นกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นผู้แทนมศเป็นนั่งอยู่แต่พอรัฐบาลประกาศจะมาให้คณะสงฆ์ใช้เพื่อเอาเท่าไปขเขาก็จะเปลี่ยนมศละหมายถึงว่าเปลี่ยนชุดใหม่ก็ อ, อาจจะรูปเดิมคนเดิมกลุ่มเดิมแล้วก็มีกลุ่มใหม่เข้ามานโยบายอาจจะเปลี่ยนคุณธรรมแห่งชาติสี่คำท่านทเพียงวิยัยสุจริตจิตอาสา พอเพียงคือจุดเน้นในรัชการที่เก้าจิตอาสาคือรัชการที่สิบและถ้าเราไม่ไม่เอาเรื่องนี้มาสร้างสังคมคุณธรรมเราจะตกขบวนรถไฟจัดสัมมนาเรื่องพอเพียงในสมัยรัชการที่เก้าเนี่ยโอเคแต่สมัยนี้ท่านต้องสี่คำพอเพียงวิในสุจริตจิตอาสาทุกกระทรวงต้องทำอันนี่คือตัวอย่าง เขามีอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษามีอนุกรรมการส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยมีอนุกรรมการส่งเสริมทุกกระทรวงและเน้นสี่คำพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาพระจะถามว่าแล้วพอเพียงเอาเรื่องไหนมาเทศวินัยเอาเรื่องไหนมาเทศสุจริตเรื่องไหนมาเทศจิตอาสาเรื่องไหนมันไม่ใช่ข้อธรรมะมันเป็นเป้าหมายคุณธรรมที่จะปลูกฝังต้องใช้หลักธรรมนุธรมธรมปฏิบัติ แปลว่าปฏิบัติทำน้อยให้คล้อยทำใหญ่ทำใหญ่คือหัวข้อสี่ข้อเป็นเป้าหมายพอเพียงเป็นหัวข้อใหญ่วิันเป็นหัวข้อใหญ่สุจริตเป็นหัวข้อใหญ่จิตอาสาเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็เอาหัวข้อย่อยเครียดทำน้อยเนี่ยมาระดมกันปฏิบัติเพื่อให้สาเร็จตามธรรมะใหญ่คือเป้าหมายเทนี้เราไปเห็นเรื่องว่าหัวข้อย่อยผิดพอเพียงเป็นกลุ่มคุณธรรมใหญ่ มันมีคุณธรรมย่อยที่ส่งเสริมความพอเพียงกี่ข้อเอามาใช้เอามาเสพเอามาสอนเอามาอยู่ในหลักสูตรจิตอาสาบรนชื่อคุณธรรมใหญ่พฤติกรรมใหญ่มีคุณธรรมย่อยอะไรเอามาเสริมเราเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมะตัวแรกหมายถึงพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาอนุธรรมก็คือหัวข้อย่อยที่จะส่งเสริมไปสู่เป้าหมายนั้นเช่นยกตัวอย่างให้ดู พอเพียงเราเทศเรื่องอะไรได้มัชฌิมาปฏิปทาหมายถึงความพอดีระหว่างกายกับจิตวัตถุนิยมกับจิตนิยมจะต้องไปด้วยกัน 2. พอเหมาะมัตตัญญาตาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ทุนที่เหมาะสมเอสเอะไรก็ว่ากันไปมัตตัญญาตามพอใจคือความสุขสี่อย่างของฤหัตอธิสุขสุขจากการมีทรัพย์โภคสุขสุขจากการจ่ายทรัพย์บริโภคอนวัจฉ อันนันน ส, สุขสุขจากการไม่เป็นนี่อนนั้นว่าสุขสุขจากการงานไม่มีโทษแค่นี้ก็เรื่องสามเรื่องพอดีพอเหมาะพอใจเนี่ยมัชชิตมาปฏิปทามัจยตาสุบันสุขเนี่ยคืออนุธรรมแต่ว่าข้อย่อยทำน้อยส่งเสริมไปสู่ความพอเพียงคือทำใหญ่วิัยหลักนิติธรรมในธรรมมาพิบาล น, นั่นแหละคือวิในเพราะฉะนั้นอุบายสําหรับฝึกหัดเนี่ยคือศีละสามัญญาตา หมู่บ้านรักษาศีลห้าจะส่งเสริมเรื่องวินยัยเอามาเชื่อมกันให้ได้ทำแทบตายแต่ไม่เข้านโยบายประเทศชาติเอาไปไ ป, ไปคนละทางสองทางงบประมาณเขาก็ไม่ให้เราสิครับเพราะไม่รู้บริบทของประเทศนะท่านลองนะเผยเผ่เอาตามนี้นะสุจริตมโนสุจริตคิดดีมโนวจีสุจริตพูดดีกายสุจริตทำดี แค่สุจริตสามปปชเนี่ยให้ผู้พูดเนี่ยธามเนี่ยแต่งกันเทศทำมังเจริสุจริตังเนี่ยทำเป็นบทเทศนาเนี่ยนะแล้วแจกให้วัดทั่วประเทศทเทศเมื่อ ป, ป, ป, ปีที่แล้วเนี่ยเขาพิมพ์เป็นคำพีเทศหกหมืนมติ ม, มสอส บ, บอกให้เทศในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงราชการที่สิบปีที่แล้วปรากฏว่ารายงานกลับมาเนี่ยทเทศพร้อมกันทั่วประเทศมีคนฟัง โดยพระอ่านกันเทศเนี่ยนะมีคนฟังสี่ล้านคนท่านของพระพรหมบดีเนี่ยคณะสงฆ์น่าจะทำต่อนะหรือไม่เอาเอาเอาเอาเอาการนี้ไปพิมพ์ซ้ำอีกให้เกินสี่ล้านเรื่องความเสี่ยงไม่พูดแล้วนะตัวใครตัวมันจิตอาสานี่คือราชการที่สิบเป็นพระราโชบาย จิตอาสาคืออะไรเ ส, ส, สนอตัวเข้าทำาดยความเต็มใจสมัครใจสรุปแล้วจิตอาสาเราจะต้องพูดว่าคือสังคตวัตถุสีทานปิยาวาจาสัาิญาสมาธิตาตานั่นแหละอบอ้อมารีวจีภัยรอดสังเคราะห์ประชาชนวางตนพอดีมันคือกิจกรรมจิตอาสาการจะทำจิตอาสาหนึ่งต้องเสนอตัวเข้าทำไม่ใช่เกณฑ์ไให้ทบาบังครับสอง เรื่องนั้นไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นประโยชน์สุขส่วนรวมสทํทำด้วยความเต็มใจสมัครใจและสไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังผลตอบแทนรวมกันแล้วเนี่ยถ้าพระเทศเรื่องนี้เรื่องจิตอาสาเนี่ยทำสางวัตถุสี่ในเกณฑ์สี่ประการเนี่ยมันจะทำให้จิตอาสาเนี่ยซึ่งราชการที่ส0บเนี่ยเรียกว่าทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทาน เชื่อมกับระดับโลกอย่าทำ<ล>แต่เพราะในประเทศไทยสหระชาเมิมนี้หน่วยงานโปรแกรมโครงการหนึ่งเรียกว่า UN Volunteers กิจกรรมจิตอาสาว o l เ n t e ทีย s m ซมเนี่ยนะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย17ข้อของการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาทำมาแล้วที่สาคัญแล้วคนไทยไม่รู้ควรจะรู้ด้วย International Volunteer Day เนี่ยนะองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันที่ห้าธันวาคมของทุกปีเป็นวันจิตอาสาโลกกำหนดมาตั้งตแต่ปี 2,528 เพราะฉะนั้นห้าธันวาคมไม่ใช่แค่วันวันที่เราจัดด้วยความสำนึกในมหากรรณาคุภรรดิการที่9เชื่อมกับวันจิตอาสาโลกมันก็จะเชื่อมกันหมดนี่คือนานมันจะให้ขึ้นปลูกต้นไม้กับจิตอาสา กวาดพื้นก็จิตอาสาวันที่หเนีเก็บขยะ ก, ก็จิตอาสารักษาเมืองน่านเป็นแชมป์เมืองสะอาดที่สุดใน อ, อาเซียนต่อไปนี่จิตอาสานี่แหละสะอาดปลอดภัยอะไรต่างนี่จิตอาสาทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมืองน่านรักษาวัฒนธรรมก็จิตอาสาหมดแต่เราอย่าไปเทศเฉพาะภายในเะชื่อมกับคุณธรรม4เชื่อมกับโวอร์เนเทียโลกจิตอาสาโลกก็จะทําให้เรื่องจิตอาสาเนี่ย ไปได้ดีฉะนั้นปรากฏการณ์ที่ที่เราได้เห็นในปัจจุบันเนี่ยจิตอาสาไม่ใช่เรื่องเฉพาะประเทศไทยนะเป็นระดับโลกไปแล้วเรื่องหมูป่าอะคาเดมี่สิ13าคนติดถ้ำเนี่ยคนนับหมื่นมาอยู่หน้าถ้ำมาช่วยกันนักดำน้ำทั่วโลกร้อยกว่าคนมาช่วยกันแล้วก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจิตอาสาทั้งนั้นแต่ยกระดับจิตอาสาเป็นเชื่อมระดับโลก แล้วก็ตรงนี้แหละวิกฤตเป็นโอกาส BBC เอาภาพว่าทำไมเด็กเนี่อยู่รอดเพราะนั่งกรรมฐานไปทําภาพเนี้กรรมฐานก็แทบเข้าไปสิเอาไปสอนเด็กแล้วสอนเด็กบอกว่านี่เนาะนั่งกรรมฐานแล้วโอไม่ต้องกลัวติดทําแล้วแม่จับถังในห้องก็อยู่ได้แล้วเนี่ยโดนทำต้อกับกรรมฐานไปแต่ไม่ค่อยมีคนออกมาพูดสัมภาษณ์ก็เงียบๆเจอโค้ชเอกตอนนี้บวชเป็นพระแล้วถามว่า ทำจริงหรือเปล่ามีกรรมฐานเปล่ า, ามีเขาบอกเนระาเขายืนยันก่อนนอนก็สวดมนต์ทำวัดสวดมนต์แล้วให้อยู่นิ่งๆประหยัดพลังงานมันเป็นกรรมฐานเท่านั้นแต่ว่าไม่มีใครอธิบายว่ากรรมฐานสมาธิคืออะไรสมาธิเอกข ะ, ะตาคิดเรื่องเดียวเพียงท่านอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปกลุ้งคิดอยู่เรื่องเดียวมีความหวังมันก็เป็นจิตที่เป็นกรรมฐานคิดเชิงบวกถามว่าทำไมเด็กอยู่ได้ใหม่ๆมันก็ร้องให้ เพราะให้มีความหวังโค้ชที่เป็นพระแล้วบอกว่า ค, คนจีนหรือไครไม่เคยมาหลงที่นี้เมื่อสามปีก่อนเขายังเข้ามาหาได้เลยเรามาหลงตั้งหลายค น, คนด่เขาก็มาม า, มาค้นพ บ, นพบเด็กก็มีความหวั ง, ว ง, วงอันนี้คือโพซิทีฟสิงค์ิคิดเชิงบวกภาษาพระเขาเรียบโยนิโสมนานสิการโยนิโสมานะสิการมีสองประเภทโยนิโสมานสิการเพื่อเกิดปัญญา เช่นคิดแบบวิพัตชว่าแบ่งซอยย่อยอันนี้จังทุกขังนาตาอุปาทกาตมนศสิการคิดให้เกิดกำลังใจคิดให้เกิดกุศลคิดเชิงบวกคิดให้เกิดเมตตาที่โค้ชเอกบอกให้เด็กมีความหวังเราพูดแต่โพสิทีฟสิงคิงพูดในภาษาฝรั่งแต่มันคืออุปาทกะามนัสิการมันเชื่อมไม่ได้กับธรรมะ พระก็เสียโอกาสกับเรื่องนี้ไปไม่รู้เท่าไหร่โรงเรียนต่อไปนี้บริหารจิตเจริญปัญญาเอาเรื่องนี้ไปศึกษาไม่ต้องรอให้หนังฮอลลีวูดทำก่อนและเขาก็จะไม่ทําเรื่องกรรมฐานหรอกแล้วเอามีวิเคเอามาใช้เอามาแถบใช้ประโยชน์ยิ่งคํามาบทพระเอามาเรียนมหาจุลาซะเพียงแต่ว่าจะเรียนหน้านหรือเรียนเชียงรายเท่านั้นแหะแย่งตัวกันอยู่กลัวจะสึกกันเสก่อนเพราะฉะนั้นก็นี่แหละ การใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนที่น่าจะเป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนในบริบทที่เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขออานาจแห่งบุญปรศะศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในการประถมพระศาสนาโดยเฉพาะที่วิไลสงนาน่า ที่วัดพระาธาตุแช่แห้งขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นดีชะเป็นภลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกรูปทุกคนประสบความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนากิจาการที่รับผิดชอบโดยปราศจากทุกโศกรโรค ภ, ภัยอุปัทวสรรายทั้งปวงประสงค์จำลองหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปรำก็ขอให้ความประสงค์นั้นจงผ่านสําเร็จจงผ่านสําเร็จจงผ่านสําเร็ จ, จ, ร ส, รจสมโมโนรถมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ ตลอดกาลละนานเทินาท